เท่กันหลวงพ่อหลวงตาเป็นผู้พูดอนทั้งหลายเป็นผู้ฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วไปทำไอ่ใชฟฟังให้จำเอามันสัมผัสได้คำพูดเนี่ยมันอยู่กับตัวเรา ส อ, อนเรื่องการให้มีสติดูกายสติเราก็มีกายเราก็มีไม่ต้องไปหาที่ใดเราใช่เลยเลยใช่สติให้มันสัมผัสกับกายให้มันอยู่านานๆลองดูโอกลงไปให้มันติดกัน สติเป็นสมบัติของกายกายเป็นสมบัติของสติอย่าให้ความหลงเป็นสมบัติของกายอย่าให้กายเป็นาธาตุของความหลงเพราะความหลงไม่เป็นธรรมสตินี่คือรู้สึกรู้ได้เป็นธรรมกว่า อาจจะไม่ต้องสร้างจังหวะก็ได้ฟังล่ามดูล่ามก็ได้สัมผัสไปเลยหรือสร้างจังป็นจังหวะก็ได้เป็นการเคลื่อนไหวก็ได้ให้เป็นความลู่เฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวก็ได้เวลาพูดฟังฟังเราทำทำในใจปฏิบัติตามอยู่ทำในใจอยู่ตามคํา พูดคบอกนี่ให้มันติดกันลองดูให้มีสติไปในกายสักเกีดวันลองดูพิสูจน์ลองดูเก็ดเดือนลองดูเก็ดปีลองดูมีใครบ้างพิสูจน์ตรงนี้เรามีวิทยาศาสตร์ในชีวิตเรา ค้นหาให้ได้มันมีโลกมันาหายโลกมันมีแก่มันหายแก่มันมีเก็บมันหายเก็บมันมีตายไม่ต้องตายวิทยาศาสตร์ที่ว่าธรรมะทำไมเราต้องยอมกับจริงเหล่านี้แม้ความทุกข์ควาโกรธควงโลกควงหลงมันก็หมดไปได้เป็นคขั้งสุดท้ายได้ แต่ชีวิตเราเน่จะต้องมีความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ไปตลอดชีวิตเช่นนั่นหรือถ้าไม่ถ้าไม่เอาชนะเรื่องนี้ได้ก็เสียชาติมีธรรมะมีคำสอนมีพุทธศาสนามีพระธรรมมีพระสงฆ์เพื่อการนี่โดยตรง ศาสนา ข, ของกายศาสนาของ จ, จิตใจอย่าให้ห่างกันเป็นคู่กันไปนัอนพยาตากที่ปนิธานเอาไว้ศาสนาอันตัวพ่อชื่อว่าพยาตากนั่นนั่งอยู่นั่นโน่นตองที่เหนือนนทนทุกข์ยากกู้ชาติ พระศาสนาออถวายแผ่นดินไว้เป็นทัพพุทธทบุตชาแก่พระา ศ, าศาสดาสำนะพระโคโดมอาอย่ยงคงทนห้าพันปีสำนะชีพรมปฏิบัติให้พอสมฝึกหัดสมถวิปัสสนาพอชื่นชมออถวายบังคมลอยพระบาทาศาสดา ถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่กับพุทธศาสนาะพุทธศาสนาคู่กับปัสสัตต์ตาปัสสัตตาฝากไว้ให้คู่กันให้คู่กันกับชีวิตเราอย่าให้ห่างคนที่ทุกข์ไม่มีศาสนาคนได้โกรธไม่มีศาสนาคนได้หลงไม่มีศาสนา อย่าว่าแต่พุธทธังสนังอจามิธรรมังสนังอจามิสังคั้งสนังอจามิทำวัดสวดมนต์สนาทีสวดสาธยายคำสอนเฉยๆเป็นภาษานกแกลวนคุนทงมันก็เป็นพิธีรีตองแบบศาสนาพิธีไม่ใช่ศาสนาธรรมศาสนาพิธีมันก็เป็นศาสนาชั้นอนุบาล ก็ัดไปว่าไปให้ได้บ้างศาสนบุคคลคือพวกเรานั่งอยู่นี้มีพระสงฆ์มีอุบาสกมีอุบาสิกาศาสนวัตถุมีโบสถ์มีฉลามีกติมีวิหารหลานเจดีย์มีสถูกพุทธรูปศาสนธรรมคือนี่อยู่กับเรานี่คือมีความรู้สึกมีความระลึกได้นี่ทำไมเราจึงหลง เราหลงก็ไปสู่ปัญหาถ้าลูกก็มีไม่มีปัญหาเราโกรธเพราะเราหลงเราทุกข์เพราะเราหลงเราวิตกกัวนเศรหมองเพราะเราหลงเป็นโทษเป็นภัยต่อกายใจของเรานี่เพราะเราหลงไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปทะเลาะวิวาสกันเพราะเราหลงก็ไม่หลงมันเป็นไปไม่ได้ เช่นความหลงความรู้นี่สัมผัสดูมันเป็นธรรมยังไงความหลงเป็นธรรมยังไงความไม่หลงเป็นธรรมยังไงระหว่ า, างความรูร้ความหลงจะจะเจอสองกองระถงนีงง้จะเห็นทันทีแหละความหลงความรู้ถ้า ม, มีตัวรู้มันก็ไม่เห็นความหลงเหมือนเหมือนกิดตาของเรานะ่ยถ้าไม่มีตามันก็ไม่เห็นวัตถุอะไรต่างๆ ต, ตามันก็เอาชีวิตเรา โดนตามถนนทางป้องกันภัยได้บ้างเรื่องของลูกแต่เรื่องของนามคือจิตใจนั่นป้องกันไม่ได้ตานะบางทีเนี่เป็นวัตถุเป็นวัต ถ, ถุกรรมกุลได้ตาหูจมูกดิ้นกายใจแต่ตาภายในนี่คือความรู้สึกตัวนี่นันเป็นการเห็น เห็นเราก็พ่นพ่นจากเห็นทุกข์พ่นจากทุกข์เห็นความโกรธพ้นจากความโกรธเห็นความหลงพ่นจากความหลงโอ้อันไม่มีประโยชน์เหมือนเราเห็นงูเราก็พ้นจากงูเห็นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ก็สติเนี่ยจึงมีสตินี่เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของ จ, จิตใจ จะให้ความหลงไปเจ้าของกายจะให้ความหลงเป็นเจ้าของใจจะเป็นคนยังไงก็ได้ตาบอดหูหนวกพิกนพิการอะไรได้ถ้าไม่ใช่คนใบบ้าเสียจริตคนใบบ้าเสียจริตเนี่ยเขาก็มีภูมิคุ้มกันของเขาหยุดกัดเขาก็ไม่เป็นไข้เดือดดอกหินน้ําเน่าๆตาม ตะครองในตลาดเขาก็ไม่ท่องผูกท่องเสียเขาก็มีภูมิคุ้มกันมาเขาเลือดบ้างูกัดก็ไม่ไม่ตายก็เนะ่ยเพราะมีเลือดบ้าเหมือนกับเรามีฉีดวัคซีนให้หมาบ้าฉีดวัคซีนให้ป้องกันไข้หาัเลี่ยมวนี้มันก็มี มีเชื่อมีพิ่มขึ้่ันพุ่มกันได้คนบ้าเขาแต่เขาไม่ค่อยทุกข์ร้ อ, อนเหมือนคนดีคนดีนี่ขี้โกธทขี้โลภขี้หลงเกงกวเขาเราจึงมีธรรมะ เ, เพื่อขัดพิสูจน์ดูไม่ต้องมาเชื่อพวกเราว่าความหลงเป็นไงความรู้เป็นไงใครก็รู้ได้ใครก็หลงได้ เวลาเราหลงไม่ชิตไม่หลงไ่ะไม่ชิดเวลาบังโกดเราไม่ชิดไม่โกดได้เวลามันทุกเราไม่ชิตไม่ทุกได้ทำไมเราไม่ใช่ชิดของเราปไปยอมขนาดนั้นหรือเสียเปรียบบัณฑเสียเปรียบความทุกข์เสียเปรียบความโกรธพอให้เราทําชั่วทำเร็วสามเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่น บางคนก็ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้ไม่ยอมไม่ยอมจนทำชั่วได้สำเร็จทความโกรธพาธรรมความทุกข์เพื่อท้าตัวตายก็ได้ถ้าคนอื่นก็ได้เพรออะไรห๋อมันหลงแล้วเรามาดูดีๆ ด, ดยไม่มีใครช่วยช่วยกายช่วยใจยอะไรปลอยปะละเลย มาปฏิบัติธรรมนี่มาดูแลมาดูแลกายใจของเรามันไปไหนแล้วมันท่องเที่ยวไปไหนใจนั่งอยู่นี่แต่ใจไปไหนก็คือนว่าฝันกลางวันว่าคิดหมกมุ่นคุนคิดคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ได้ทั้งๆที่ไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะมันหลงคิดขึ้นมาแล้วน้ําตาล่วงน้าตาไหลนอนไม่ได้กินไม่ได้เพราะความคิด แค่นั่นเองบันทีก็เอาความคิดไปขัดแย้งกันั้งทางที่เป็นความคิดเช่นความโกรธมันไม่มีตัวมีตนอะไรมันก็เป็นใหญ่มันบังคับเราได้ถ้าเราไม่รู้มันะเราจึงมารู้มันซะมาเห็นมันมาเห็นสภาพรู้สึกมาเห็นสภาพความหลง มันจะค่อยกระจ่างแข็งไปเกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาเห็นรูปนามเห็นรูปเห็นนามรูปธรรมเห็นนามธรรมรูปนี้เป็นเป็นรุ่นเป็นก้อนมหาพูตะลูปมีรูปอาศัยมีขามีแขนมีท้าสี่มีขันห้าเป็นมหาภูตะลูป เหมือนกับต้นไม้มาหาพูตธลูกนี่ไม่ก็มีอายุเหมือนกันมีอายุเหมือนกันมาหาพูตธลูกเนี่เหมือนกับต้นไม้เช่นต้นไผ่มันก็มีอายุไม่มีใครไปตัดทําลายมันก็เท่าแก่ตายไปบางต้นก็ถูกตัดไปตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยบางต้นก็แก่บางทีก็มีศัตรู ล่วงเจาะวางทีหน้าดี้ก็มีแมงคามเจาะนอไผลหักลงมาเหมือนกับชีวิตของคนเราลูกของคนเราบนาะงคนก็เกิดขึ้นมาไม่เท่าไรก็ตายไปอันนี้เป็นเป็นอายุแล้วแต่ใครจะใช่เหตุปัจจัยยังใด ต, ต่างๆไม่ใช่เรามันมีเหตุมีปัจจัยเหตุมันมีที่ลูกเหตุมันมีที่นาม เราจะใช่เหตุยังไงใช้รูปยังไงบางคนก็ไปใช้รูปผิดผิดผิดประเภทใช้น้ําผิดประเภทไปกินเล่าไปกินสุบุรีไปกินของแหลงของดิบๆของที่มีโทษใช้รูปผิดประเภทเช่นกินเล่าสูบุรีกินเนื้อดิบของดิบ กินของที่มีพิษมาเกิดโรคด้น้ำคือไปคิดแต่เรื่องไม่ดีใ จ, ใจใจใจผิดประเภทแล้วก็อันตรายเราะเราใช่ไปถูกจึงมีสติเนี่ยเป็นเจ้าของซะจับกายจับรูปมาใช้จับจิตใจมาใช้ ให้มันปลอดภัยอย่าให้ความหลงมาใช่เราใจเนี่ยมันดีดีแต่ใช่ไม่ถูกมันก็เพี้ยนไปเป็นจลิตนิสัยไปโทสะจริตโมหะจริตละคะจริตไปมันก็ติดใช่ไัมไงก็ติดจ้ะกันเอามีดไปฟันเห็นมันก็เป๊เอามีดไปฟันเหล็กมันก็เป้เอามีดไปฟัน อะไรมันก็ใช่แต่มันผิดประเภทเสียความเป็นมิตรจดตจิต ด, ดีๆบริสุทธิ์ใช่ผิดมันว่าเปื้อนเสียจิตไจิตเดิมของเราในปกติประพัดสนของใสเหมือนผ้าขาวสะอาดแต่เราใช่สุกไม่ถูกก็ปเปื้อนนดแต่ว่าผ้ามันสกปกก็ซักได้ จิตที่มันหลงก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ได้จิตที่มันโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธได้จิตที่มันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้หมื่อป้างที่สักได้อันความโกรธมันไม่ใช่จิตความทุกข์มันไม่ใช่จิตเออมตกกังวลสมองไม่ใช่จิตมันเป็นอารมณ์มันเป็นปฏิกูลมันเป็นฝุ่นมาเปืเป้เอเฉยๆเล้วยิบไปยึดเอาไว้อันนั้นอ่ะมัไม่ใช่จิต บางคนไปถือว่าความโกรธเป็นกูถ้ากูได้โกรธโลกกูตายกูไม่ลืมไม่ใช่ทำ ต, ตามความโกรธทำตามความรักทำ ต, ตามความชังามตามความโกรธเช่นกองข้าวน้อยฆ่าแม่จังหวัดยะโสกรเนี่ยเวลามโผล่ลขึ้นมาฆ่าแม่ได้เห็นกองข้าวน้อยๆว่าตัวเองหิวข้าวจะกินไม่อิม่ม ยังไม่ได้กินเลยเอ า, าโกดตีพ่ ต, ตีแม่ตายแม่บอกว่ากินเถอะลูกกินเถอะมันอิม่มก่อนน้องก็อิม่มเลยเขาบอกว่าม่อิมมอ่มมาอิ่มออกมาทาไมคนทํงานเหนื่อยอาว่าแม่ไม่ดูแลตัวเองเอ า, าโขมกอดเอาแอกนอ ตีแม่ตายพอตีแม่ตายแล้วมาจิบนข้าวมันก็ไปหมดหลังข้าวกองนั่นน่ะมันก็อิ่มก่อนพอมัอมนอิ่มข้าววันเมื่อกี้มันหิวพอมันอิ่มแล้วก็โอ้ยความอิ่มเป็นอันหนึ่งความหิวเป็นอันหนึ่งแล้วก็คิดผิดไปฆ่าแม่ตายเลยเอาแม่คืนไม่ได้เลยเป็นการผิดพลาดเั็นใหญ่เพราะความโกรธพาธรรม ทำความชั่วใดข่าแม่ได้เราไปจังหวัดแยโถทอนเห็นธาตุกองข้อน้อยข้าแม่อยู่ทุ่งนาเคยเห็นไหมพียชิดน้อย <c oughs> ความโกรธนะความโกรธเป็นอย่างนั้นมีไหมพเพอหล่อเสียเปรียกความโกรธไหมทะเลาะ ก, กันมีไหมเวลามาโกรธหายไปอายกันมีไหมเสียใจมีไหมโกรธให้ลูกตีลูกมีไหม เราโกรธตีไม่เอ้นด่ากันไม่ละอายเวลาหายโกรธลดสงสารลูกเห็นลอยมือลอยไม่เลียวเอาเบยหม่ อ, มองไปทาให้สงสารน้ําตาไหลก็มีเหมือนกันตอนนั้นเราจึงดูดีๆนะกำลักก็เหมือนกันนะทำตามกําลักมีเยอะๆอย่างนามโมลาเนี่ยจันข่าจันทโครุปเนี่ย ก้อนลักนะแต่ก้อนก็นลกกอกลักจันทโกลบอ๋อจันทโกลบเนี่ยเป็นเป็นพลที่เลียนเก่งม o าเป็นลูกของอาจารย์ที่ประสิท์ประสาทวิช า, า, าให้ลูกชิ์จันทโกลบเนี่ยเลี้ยนเก่งกว่าลูกชิดคนอื่นอาจารย์เลยมอบลูกสาวให้คือโม OLA นะจันทโกลบพาโมลากลับบ้านพ่อว่านแม่แต่ลูกชิดคนอื่นนะ่ะ ก็อิจฉาเอ า, าได้รางวัลตันตันเลิศก็อิจฉาชวนกันมาดักฆ่ากลางทางหาหัวหน้าโจรดีๆมาจันทครคุลบก็เรียนมาเก่งก็ามาดักฆ่ากลางทางจันทรกุลบบอกปราบโจร ห, หลายๆคนพ่ายแพ้ไปเหลือหัวหน้าโจร มนืนโจรสูงขาวย่อยกว่าจันทกุลก็อดีก็จันทรก็ชนะลงแล้วเอาปราอยู่แล้วแต่ขอดาบจากโมลาชาวฟันโจรให้มันตายซะแต่โมลานี่เห็นโจรสวยกว่าจันทกุลเขาสูงคิดชอบทันดีอยดูกันทกนุลนี่ต่างกับโจรมากคิดอยากจะเป็นเมียโจร เรายื่นดาบให้โจรดูซิความรักเกิดขึ้นประเดี๋ยวประเดาโจรก็เอาดาบมันฟันจันทร์ทุบคอขาดเลยนางโมลาสเสนอตัวเพราะเป็นเมียโจรโจรมันก็ไม่เอาหรอกเพราะว่าจผัวมึงเนี่่าตายกูจะเอามึงไม่ได้มึงตายอยู่ตรงนี้ในดงในป่านะั่นใช่ไหม <laughs> นางโมลาก็เลย เสียใจเพราะโจนไม่แต่งานกับตัวกม า, อาโอ้ตัก็เสียใจคิดถึงจันทกุลบแต่ขอขาดไปแล้วเสียใจก็เลยเ บ, บื่อจะจิตเป็นนางแค่นี้กลางตรงกลางป่าทุกวันนี้แล้ยินแนี้ร้องไหมโอ้ยโอ้ยพูดพูดคิดถึงคิดถึงจันทกุลบมันก็เลยเป็นสัตว์เดียวฉันไปแล้วฆ่าหัวตัวเองเฮ้คือความรัก ไปเดี๋ยวไปเดาลนะ่าทำตามมันมันเป็นอารมณ์นะมันเป็นอารมณ์ไม่ใช่คิดความรักความโกรธความโลภความหลงวเนี่ยความทุกข์วะเนี่ยไม่ใช่คิดหรอกมันเปลี่ยนได้นี่แหละคือมาศึกษามีสติสัมปชัญญะนี่นะเข้าไปเข้าไปจะเห็นของคทดของจริงของจริงของไม่จริง จะมีอยู่ในรูปในนามในกายในใจเราดี้เราเคอเป็นทุกข์ประความจริงเราเป็นทุกข์ประความไม่จริงเราจึงจะต้องมาลูมาศึกษาไม่ใช่เรื่องมอบให้ใครเป็นส่วนตัวของเราทุกคนจะเป็นใครก็าตามจะเป็นชาติใดภาษาใดมีกายมีใจเหมือนกันนะนี้ก็คือเกิดเจ็บเจ็บตายเหมือนกันเป็นทุกข์ เป็นความกวดของโลกของหลงเป็นจิเลตนาลาคะอะไรต่างๆมากมาถ้าเรางรูว่าจบได้เป็นอิสระได้มาเห็นเนี่ยมันเป็นอของที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเราไม่ใช่ว่าพ่าใครที่ไหนความดีไปมอ่ใก้คนอื่นเึ่นสนาจธรมเนี่ยมอไให้พระสงฆ์ เป็นเรื่องของวัดของวาไม่ใช่ศาสนาคือเรื่องของชีวิตเราศาสนาของกายถ้าร่อนก็อาบน้ําถ้าหิวก็กินข้าวในศาสนาเป็นคู่กันไปยถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนศาสนาของใจถ้าโกรธก็เปลี่ยนไม่โกรธต่ามันทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ทุกข์ถ้ามันหลงก็เปลี่ยนไม่หลงมันทำหน้าดี ว, ว่าศาสนา ต่อสองคือคือรูปแบบคือโกอบคือพิมพ์พิมพ์หล่อให้เกิดความเป็นพะระหล่อให้เกิดความเป็นผมแปบลบ๋ยวเขาเกิดความเป็นธรรมาพิมพ์คือมีอะไรมีความรู้สึกตัวมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหล่อหลอมศีลไม่ต้องไปขอการเจริญสติเนี่ยมันเป็นศีลแล้วไม่ทำเพิ่มชั่วแล้ว มีความรู้สึกตัวนี่มาได้คิดไปไหนมันคิดไปก็กลับมาเห็นก็ทั้งความคิดตัวเองเว่าอะไรจะมาหลอกอะกายก็เห็นอยู่นี่สํารวมอยู่นี่ยกมือเคลื่อนไว้อยู่นี่มันก็เป็นศีลแล้วมันก็มีสมาธิแล้วมันใส่ใจอยู่เนี่ยมันหลงไปก็ลูกระมาสมาธิคือมันอยู่เนี่ยเป็นหลักอยู่เนี่ย ปัญญาก็รอบรู้เวลามันหลงก็รู้ไม่มีใครไม่เห็นความหลงก็มาทุกข์ก็รู้ถ้ามีสติแล้วก็มาโกรธก็รู้มันก็เป็นปัญญาเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นี่คือปัญญาไม่ใช่ปัญญาเอาตัวรอดเป็นยอดดีปัญญาเอาตัวรอดคือพ้นจากทุกข์ได้เอาชนะทุกข์ได้เอาชนะความโกรธได้ เอาชนคมหลงไ่ะความวโกรธความทุกข์ความโลภความห ล, ลงน่ะมันไม่ใช่ขีช่างขีม้ามามันไม่มีสตาวุตใดๆ ก, ก็จะกิตใจของเราน้อยๆเป็นอารมณ์เท่านั้นเองแต่ทําไมมันยิ่งใหญ่เพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นมันเพราะไม่เห็นทําไมไม่เห็นทําไมไม่รู้เพราะไม่ได้สร้างสติไม่ได้ประกอบทําไมไม่ประกอบเพราะ ไม่มีเวลาทําไมไม่มีเวลาเพราะไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แต่ความหลงไม่เวลาแม้แต่ในห้องนอนก็หลงได้อ่านความรู้ในห้องนอนก็รู้ได้แล้วนอนอย่าหาเรื่องไม่คิดนอนเก็บเส้าเก็บของปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วจะนอนถ้าใดนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยนอนงามงามไปแช่งข้างซ้ายอาจจะแชง่งข้างขวาลงเอาขางซ่าขึ้น พิกมือให้รู้สึกอยู่ไม่ต้องสร้างเป็นจังหวะพแต่แต่แข่งมื อ, อกัเด็กมือลูกไปกับการนอนเวลามาคิดไปกับมาเวลานี้เราไม่ใช่มาคิดนะเวลานี้เรามานอนนอนกับความรู้สึกตัวเราก็หลับสบายเต็่นขึ้นมาอี๊มใจอี๊มใจหมดพักผ่อนเต็มที่แต่บางคนนอนไม่เป็นหาเรื่องมาคิด จะนอนเมื่อไหคิดแล้วก็ฝันไปคนนอนฝันเนี่ยไม่ค่อยอิ่มเหนื่อยเพราะมันหมดพลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ในไอริบด์นอนก็ทำานามิสติได้ทำไมไม่คำว่าไม่มีเวลาไม่ถูกต้องอย่างคนพิการเขียนเจนหวายมาถามหลวงตาเขาขอเป็นลูกศิษย์เราเขาเดินมาได้อะไรเคลื่อนไหว ไ, ได้ เพื่อนไหวได้เฉพาะคอคเป็นโกูกเสียไดก็ต้องก็ก็ตอบจดหมายว่าถ้าหายใจได้อยู่ก็ทำได้ถ้าหายใจได้อยู่ก็ทำได้าาไดอไสอนกันทางจดหมายแล้วก็เขาก็เข้าใจเรื่องชีวิตของเขาเลยเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นผู้บรรยายทมวิเทยกร นักเผยแพ่ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนี้คนพิการนะแทนที่เขาเป็นทุกข์กับคนทั้งหลายเขาเกิดจย้มแจ้มแใสนะร่างกายพิยการแต่จิตแจมใส่เขาพูดจัางนั้นเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปออนไลมาอ้างว่าทำไม่ได้มันมีเวลาทุกคนปิดประตูใส่กุญแจเอาลูกกุญแจจากกระเป๋า กวดบ้านถูบ้านซักผ้ารู้ศึกตัวได้ไม่ได้มานั่งสร้างจังหวะอยู่ที่วัดสุขกโตห ว, วันอยู่กับเราแต่ว่าต้องมาฝึกขัดเริ่มต้นไม่เพื่อนมีมิตรจะไม่พาหลงเทศหลงทางนี่คำสอนพระเจ้ามาพิสูจนกันอย่ามาเชื่อพวกเราเชื่อตัวเองถ้าไม่เชื่อสิ่งที่หลวงตาพูดก็เท่ากับไม่เชื่อตัวเอง เช่นความหลงความรู้เนี่ยทำได้ไหมเอามือวางไว้บงเขาพลิกมือขึ้นรู้วางมือลงรู้มันอยู่กับใครเป็นเรื่องของใครความรู้สึ ก, กนเนี่ยขอได้จากที่ใดไม่มีคำว่าขอไม่มีคำว่าถามเสดจะทำให้ติดคานตอบเอาตอบเอานี่เรารู้อยู่นี่เป็นของหญิงของชายไหมเป็นของศาสนาไหนเป็นทีอะไรเป็นเพศใดวัยใดไม่เกี่ยวเลยเป็นความรู้ของเราแท้ มันเกิดขึ้นจากเราที่ประกอบขึ้นมานะี่ยนี่เราต้องทํามันนะไม่ต้องถ้าไม่เชื่อไม่ได้ทําดูตามคําพูดเนี่ยก็เท่ากับไม่เชื่อตัวเองมันก็เต็มทีแล้วมันก็ดื้อด้านที่ถุดแล้วสอนให้ลูกไม่อยากเอาไปเอาความหลงดีกกว่าพอใจในความหลงอ๋อเวลามาโกรธก็ไม่รู้จักเปลี่ยนความโกรธเป็นคนดื้อหัวดื้สอสนิช้ ไม่ใช่เครสอนเราไม่สอนตัวเองแม้คนอื่นสอนก็ไม่ได้ถ้าเราไม่สอนตัวเองไม่เปลี่ยนตัวเองเนี่ยไปโทษใครไม่มีใครบอกใครสอนไม่ใช่เนี่ยวันนี้เราบอกแล้วเราสอนแล้วถ้าเราทุกว์เมื่อใแสดงว่าเราดื้อเราดื้อแล้ ว, ลวถ้าบุญหรือบุญคือใจดีๆเนี่ยาบาปคือใจร้ายเนี่ยถ้ากลัวบุญเราถ้ากลัวาบาปก็จ่าใจร้าย ให้รู้จักตัวให้ใจดีๆใจดีไปยังไงมีความโชคไหมกินได้ไหมนอนหลับไหมถ้าใจร่ายไปยังไงสัมผัสตัวเราก็รู้โอ้บุญคือใจดีนี้ความรู้นี้รู้อะไรรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นรูปทํานามทํามันทําดีคือรูปนี้มันทําชั่วคือรูปนี้ เราจะเอารูปทำความดีจะไม่ได้หรือจะเอารูปทำละความชั่วจะไม่ได้หรือมันอยู่กับเราเนี่ยจะให้อะไรมาคุ้มครองเราจะให้เขาสร้างคูกสร้างตารางมีตาวดมาเขียนมาฆ่าเราเลยมันอยู่กับเราเอารูปเนี่ยมาทำความดีเอารูปมาละความชั่วเอาน้ำคือใจมาคิดดีๆคิดสิ่งใดประกอบด้วยมันตาทําสิ่งใดประกอบด้วยเมัตาพูดสิ่งใดประกอบด้วยเมันตาจะไม่ได้หรือ ทำมาอิจฉาเียดเบียนกันมันอยู่กับเราเนี่ยเห็นรูปเห็นนามเนี่ยรูปมันทําดีนามมันทําดีต่อห น, นี้ไปจะไม่ใช่รูปทําชั่วจะไม่ใช่นามทาชั่วจะใช้รูปทำความดีจะใช่นามทำความดีนี่จะไม่ได้เลยมันอยู่กับเราไปเกณฑ์ที่ไหนไปเรียกล้องอล่ะอ้อนวอนที่ไหนรูปโลกนามโลกมันเป็นโลกอันหนึ่งรูปเนี่ยโลกของรูปม่นมีเยอะ ความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่ช่ยตัวตนรูปโลกในควาเป็นเที่ยงในการเกิดเจจะตายมีในรูปนี่ควบล้อนความหนาวมีในรูปนี่หายใจเข้าหายใจออกถ้าไม่หายใจมันก็ได้ก็ตายถ้าไม่กินไม่ถ่ายมันก็ตายถ้าไม่หลับไม่นอนไม่ยืนก็ไม่มันก็ไม่ได้ถ้านอนมาดีนอนชัก เดเดือนเกีดปีถึงได้ไหมไม่ได้นอนซักอย่างคนแกนะ่อย่างล้งตานะแก่แล้วนะนอนไม่เกินสี่ช่วงห้าชง่งแต่บางครั้งไปนอนดีกว่าไม่ออกมันพอแล้วแต่คนหนุ่ม่าจจะนอนมากหน่อยเนาะ <c oughs> คนแก่นอนไม่มากนะให้นอนอยู่มก็ไม่ได้ลูกเสียน่ะลุกมันดีหรือเดินมันดีหรือเอาให้เดินอยู่ก็ไม่ได้ นั่งบันดีหรือนั่งก็ไม่ได้มันต้องเป็นริบทแก้ทุกข์ของลูกไม่มันเป็นลูกรูปโลกน้ําโลกคือความโกรธความโลภของหลงรูปโลกเนี่ยมีแต่บันเทามีแต่กําหนดรู้แก้ไม่ได้จะไม่ให้กินข้าวมันไม่ใช่เรื่องแก้เป็นแต่บันเทาจะไม่ใยืนนั่งนอนไม่ได้มีแต่บันเทา ลกโลกโลูของลกอูกเนี่ยไม่ต้องเป็นเรื่องทุกข์บางทีมันร้อนก็ไม่ใช่ทุกขทุกข์มันหิวก็ไม่ใช่เรื่องทุกข์เป็นการบรรเท่าอย่าเอาความหิวมาเป็นเรื่องทุกข์ใจแต่บางคนไม่ไม่รู้จักหิวข้าวก็เป็นทุกข์ไม่ต้องทุกข์ขอบุณลูกลูกที่มันเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งมันเป็นสัญญาณไฟของลูกถ้ามันหิวเว่นดีแล้วอย่าไปเป็นเรื่องทุกข์ แต่ถ้าเราไม่รู้รูปรู้น้ำอะไรก็มาเป็นทุกข์หมดเลยไม่รู้จักธรรมชาติของเขาน้าก็เหมือนกันฮะโลกของโงกโลกของน้ำโลกของโรคเนี่ยโลกบางอย่างรักษาได้โลกบางอย่างรักษาไม่ได้อโลกที่เกิดจากลูกเช็นโรคอันไลต่างๆอย่างโรคมะเร็งเนี่ยยังไม่มียารักษาอะไร นี่พระอาจารย์ใหญ่ที่วัดกําลังกลวยดังอยูยนะเป็นโลกของรูปแต่น้ำใจท่านเปี่ยมไปด้วยก็ไม่เขี่ยไม่เข็บไม่ตายอันโลกของนามก็เห็นความจริงที่เป็นรูปโล ก, โลกมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนไันมีเหตุมีปัจจัยเพราะมันเป็นสมบัติของโลกเราเกี่ยวข้องกับหลายอย่างอยู่ในโลกนี่อาหาร น้ำลมไฟต่างๆที่เราทําเองไม่ได้บางทีเราจินเข้าวเราก็ไม่ทําเองคนทําให้เราจินมีผักมีอาหารอาจจะไม่เหมือนญาติยาโยมญาติโยมเลือกได้แต่พระเลือกไม่ได้ใช่ไหมขี้น้อ <c oughs> เอาให้กินอลไรก็จิ้นไปมาก็บางทีก็ไปศบเอากับอาหารที่เป็นพิษมีได้นะ เขาพูดให้ฟังเรื่องหนึ่งสมัยก่อนไปดูงานพัฒนาของคู่คนอำเภอแบงน้อยไปดูไปเยี่ยมเขาไปพาแม่บ้านไปดูงานเขาเกษตรเพียงพอเวลาเจียงข้าวเจ้าของบ้านเขาก็ไปบอกเก็บผักไปเอาผักอาชินก เ, เราไปก็ไปเก็บ ผักกะหล่ำ ม, มาเอาหัวใหญ่พอเจ็บมาจากของบ้านว่าเอ้าเอามาจากแปลงไหนหน่ะเอามาจากแปลงโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ขีดยาไปเมื่อวานเนี่ยก้นยาไปเมื่อวานเน่ยไม่ได้เอาทิง้งเอาทิง้งกินไม่ได้พก็ไปเอาใหม่เขาไปเจ็บไม่ใหม่มากินแต่กินเข้ายังไม่อิ่มเลยมีรถมาซื้อผักมาจอดซื้อผักเขาก็ไปจัดเอาแปลงนั่นหมดเลย เ, เจ้าของผักก็พูดไม่ออกเพราะนัดกรรมมาถ้าให้เขาตัดแล้วก็จะเสียเถอะตัดเอาไปหมดแปลงเลยโดยลดนึงเอาเอาไปขายใครไปกินตรงนั้นก็อันตรายใช่หมนั่นะมัเป็นอย่างนี้อาหารที่เราทําเองไม่ได้มันไปสบเอากับพิษตรงนั้นเข้าแต่คนที่ไม่ได้กินผักลดนั่นก็ปลอดภัยไปแ้วใครไปกินก็ก็ อ, อ, อ, อันตรายได้ น, ะนี่ แล้วไม่ทําเองหลวงตาเคยไปไล่พวกกะเหลี่ยงพวกแมวลงจากดอยดอยเรียบจากบัด ล, ลําหูนดอยเรียบมันติดกับน้ําตกแม่กลางจังดอยอินทน น, น์น้ําตกแม่กลางในไหลลงมาแล้วก็ปลาแถวอําเภอจอมทองอเภอสันป่าทองตายหมดเลยตัว น, นั้นก็พากันไปพระสงฆ์แต่ก่อนก็เป็นนักอนุรักษ์นะ ยังหลงนุ่มอยู่อนาคตร์รไปทั่วประเทศเลยที่ไหนมีปัญห า, า, าไปขึ้นไปดอยดอยเรียบไปกระป่าม้เขารถประวินขึ้นไปไปดูเขาพวกเขาเขาเขาปลูกกระหลำ่ำพอยืนอยู่ที่เขาเอากะหล่ำขึ้นรถนะเขาปอกหลืออกมันเน่าอุ่ตรงนั้นโอ้ย ต้องามขึนรถวินเวียนเลยก็หล่มอม่ามีแต่สารผิดรถสิบล้อจอดอยู่แถวตีนเขาลอยเรียบเลยจังหวัดเชียงพูมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดโคราชกรุงเทพมหานาครจังหวัดไหนจังหวัดไหนทุกก็หล่อมไปกินไปให้คนกินไปขาย<อ>มันเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเราไม่ทําจินมีแต่ซื้อจิน ไม่ได้ทําจินเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ปลอดภัยเอาจอร์ใหญ่ทีนี่ออันตรายอาจจะไม่โลดเสีอดอยอ๋อชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้ห้อยเขียนด้วยกับคนอื่นชีวิตของประสงค์เนื่องด้วยคนอื่นไม่ใช่เนื่องด้วยตัวเราเพราะเราจ้องดูดีๆทุกวันนี่ประมาทไม่ด้ยิ่งยุคนี้เราไปเป็นลุกทองยุคทำอย่าประมาท อย่าใช้ชีวิตที่ผิดภาพเอาดีๆหน่อยมีสติจั ม, มเจเนี่ยมาฝึกหัดกันนะอย่าหลงอยู่ทำไมเมื่อหลงเมื่อทุกเมื่อโกรธอยู่ทำไมคนโกรธคนทุกคนโลกคนหลงเป็นคนล่าสมัยแล้วทุกวันนี้เขาไปกันแล้วแม้มันจะตายก็ไม่เป็นทุกข์หรอกนะี เดี๋ยวนี้เราเป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ได้หรือไดอ้ความร้อนความหนาวความหนีย ว, วอะไรต่างๆไม่ต้องทุกข์เลยมันมีอย่างนี้คือธรรม ะ, ะ, ะ น, นกะก็ดีใจที่คณะพวกเราส่วศึกษาเนี่ยขอเป็นเพื่อนไม่พาหลงทิศหลงทางแน่นอนนี่อาจารย์สอนอยู่นี่ท่านจะอยู่เป็นเพื่อน พวกเราไม่ต้องเกรงใจขอให้มาใช่ที่นี่ผู้เชียงไม่มาขอให้มามาที่นี่ผู้บางเล้วอยู่เป็นฉุขนิสิติสัมสัญยะอยากกังวลเใดๆเราทุกข์ด้วยกันเราฉุกด้วยกันเราปราถาดีอุตส า, าสัจจสถานที่อย่างนี้ไม่ใช่เพื่อนนี่โดยตรงไม่ใช่เพื่อเจ้ารถทิในกายลาบสักระใดๆมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นเม็ดกัน เอาแล้วก็พูดให้ฟังสำหรับวันนี้สมควรใจเวลากราบพระพร้อมกัน